อ๋อคำถามข้อนี้เองหรือครับจริงๆแล้วนรกมีทั้งหมด457ขุมซึ่งจริงๆแล้วแบ่งเป็น8ขุมใหญ่ก็ใน8ขุมใหญ่นั้นจะมีผู้ช่วยถึง4ท่านด้วยกันแล้วก็ในแต่ละขุมนั้นก็จะมีสุวรรณคอยช่วยเหลือผู้ช่วยเหล่านั้นอีก4ท่านด้วยกันอีก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 ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าผู้ใดได้รับกรรมหมดแล้วหรือยังหรือว่ายังจะต้องมีเศษบาปกรรมที่จะต้องชดใช้ในแดนอื่นๆหรือในภพภูมิอื่นๆหรือไม่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจริงๆขอรับสัตว์นรกบางพวก ตายจากนารกขุมหนึ่งแล้ว<ล>ไปเกิดอีกนรกขุมหนึงน่งก็มีครับแต่ส<ด>ัตว์บางพวกมีเศษกรรมที่เบาบางลงไม่มีนรกขุมไหนจะรอรับผลกรรมเขาได้เขาก็จะไปเกิดในแดนเปรตต่อไปครับพระคุณเจ้าครับนี่ก็เป็นนรกขุมสุดท้ายแล้วครับเอาละอาตมาก็มาเยี่ยมชมนานพอดูแล้ว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 โยมเอ้ยครั บ, รบต่อจากนั้นพระมลัยก็ได้เข้าจตุตฌานทำอภิญญาให้เกิดแล้วก็เหาะจากแดนนรกขึ้นไปเมืองมนุษย์ทันที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 ทำจิตใจอนุมโมทนาชื่นชมคุณงามความดีที่มีผู้อุทิศให้ได้บุคคลใดทำกรรมใดไว้บุคคลนั้นย่อมได้รับผลของกรรมนั้นกรรมมุน า, นาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม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 ดังนั้นแล้วพวกเราผู้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และก็มีปัญญามากกว่าสัตว์เพราะสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของธรรมะได้และก็ได้รู้จักว่าอะไรบาปอะไรบุญส่วนสัตว์นั้นไม่มีปัญญาที่จะรู้ธรรมะไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะและบาปบำเพ็ญบุญได้เขาก็ได้หลงกระทากรรมชั่วต่างๆนาน า, น า, นาเยอะแย่งอาหารเยอะแยงคู่ เยอะแยงที่พักอาศัยมีการกัดทำร้ายละขโมยซึ่งกันและกันโอกาสที่จะเกิดมาในมรดภูมิหรือในสวรรค์ น, นั้นก็ยากมากบ้างก็ตายแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดนั้นชนิดนี้จนกว่าจะหมดกรรมที่ได้กระทามา